สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตร์บทที่18ข้อที่1จนถึงข้อที่17ภายใต้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอลิยาซึ่งเป็นผู้เผยเพวจนะของพระเจ้าและโอบาดีซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของกษัตริย์อาหับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า หลังจากนั้นเป็นเวลานานพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเอลียาในปีที่3ว่าจงไปแสดงตัวต่ออาหับเราจะให้ฝนตกลงมาเอลียาจึงไปแสดงตัวต่ออาหับในเวลานั้นการกันดานอาหารในสมาเรียรุนแรงมากอาหับรับสั่งให้เรียกโอบดีเจ้ากรมวังมาหาโอบดีเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งพระนางเยเซเบลเข็นฆ่าผู้เผยพรชนะขององค์ผู้เป็นเจ้าโอบดีช่วยเหลือผู้เผยพชนะ100คนให้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำสองแห่งแห่งละ50คนและจัดทรงอาหารกับน้ำให้อาหับตัดกับโอบดีว่าจงไปยังตาน้ำหุบเขาทุกแห่งทั่วดินแดนเราอาจจะพบหญ้าพอประทังชีวิตมาและล่อจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์ของเรา ทั้งสองจึงแบ่งกันออกไปสำรวจดูอหับเสร็จไปทางหนึ่งโอบดีไปอีกทางหนึ่งขณะเดินไปตามทางเอลิยาก็มาพบเขาโอบดีจำเอลิยาได้จึงหมอบคำนับลงกับพื้นและกล่าวว่านี่เป็นท่านเอลิยานายของข้าพเจ้าจริงๆหรือเอลิยาตอบว่าถูกแล้วไปทูลกษัตริย์เถิดว่าเอลิยาอยู่ที่นี่โอบดีถามว่า ข้าพเจ้าทำอะไรผิดหรือท่านท่านจึงส่งข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านให้อาหับประหารพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดก็ไม่มีชาติใดหรืออาณาจักรใดที่นายของข้าพเจ้าไม่ได้ส่งคนไปค้นหาตัวท่านฉันนั้นและทุกครั้งที่มีชาติใดหรืออาณาจักรใดบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นกษัตริย์ก็จะให้พวกเขาสาบานว่าไม่พบท่าน มาตอนนี้ท่านบอกให้ข้าพเจ้าไปทูลเจ้านายว่าเอลิยาอยู่ที่นี่แต่เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพระวิญญาณขององค์ผู้เป็นเจ้าจะมารับตัวท่านไปไหนหากข้าพเจ้าไปทูลแล้วอาหับเสด็จมาไม่พบท่านก็จะทรงประหารข้าพเจ้าทัานทั้งที่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านได้ปฏิบัตินมการองค์ผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ยังหนุ่มหนุ่มท่านไม่เคยได้ยินหรือว่า เมื่อครั้งพระนางเยเซเบลเข็นฆ่าผู้เผยภระชนะขององค์พระผู้เป็เจ้านั้นข้าพเจ้าได้ซ่อนตัวผู้เผยพรชนะขององค์พระเจ้าร้อยคนในถ้ำสองแห่งแห่งละ50คนและจัดอาหารกับน้ําให้มาตอนนี้ท่านบอกให้ไปทูลว่าเอลียาอยู่ที่นี่กษัตริย์จะประหารชีวิตข้าพเจ้าแน่เอลียากล่าวว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธ ที่เรารับใช้ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราก็จะแสดงตัวต่ออาหับในวันนี้อย่างแน่นอนฉันนั้นโอบดีจึงไปเข้าเฝ้าอาหับและกราบทูลพระองค์อาหับก็เสด็จออกมาพบเอริยาเมื่ออาหับเห็นเอริยาก็ตรัสว่านี่หรือเจ้าคนที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลพี่น้องครับ พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ไม่เพียงที่เราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกและมีความคิดว่าพระเจ้ากําลังสอนอิสราเอลสอนอาหับแต่อีกความคิดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้ากําลังสอนเอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องจะเห็นว่าตั้งแต่บทที่สิบหนะครับ พระเจ้าก็ได้ให้เอลิยานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะคนของพระเจ้าพระเจ้าให้เอริยานั้นได้มีโอกาสทำพันธกิจของพระเจ้าและเห็นการอัศจรรย์และการทรงนำของพระเจ้าเรื่อยมาในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาเราจะเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าตลอดเวลาและเมื่อเราปฏิบัติคนอื่นเมื่อเรารับใช้พระเจ้า เมื่อเรานําพักทรของพระเจ้าข่าวประเสริฐของโปรง่งไปประกาศกับผู้คนต่างๆพี่น้องครับเราจะเห็นถึงการทรงนําของพระเจ้าและอัศจรรย์ของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เติบโตขึ้นด้วยได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงเอลิยาครับพระเจ้าได้ทรงใช้โอบัติให้มาพบกับเอลิยาเพื่อที่เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าหา อาหับในวันต่อไปพี่น้องครับเราจะเห็นครับว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วของการการดานอาหารสภาพความเลวร้ายความทุรกันดารก็เกิดขึ้นการการนดานอาหารนั้นเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายครับและเป็นเรื่องราวที่ชาวอิสราเอลที่เป็นผู้ที่รู้จักกับพระเจ้านะรู้ว่าเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะทรงลงโทษประชากรของพระองค์ แด้วยเหตุนี้ทําให้เกิดความแตกต่างเปรียบเทียบระหว่างพระบาอันซึ่งเป็นเท พ, พเจ้าหรือเป็นรูปเคารพแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่พระเจ้าก็สามารถที่จะสร้างความกันดารอาหารหรือการกันดารอาหารนั้นเกิดขึ้นโต้แยง้งตรงกันข้ามกับพลังอํานาจของบาอันที่เชื่อถือกันอยู่โดยผนังเยเซเบลนั้นเป็นราชินีที่เน้น แล้วก็ให้การโปรโมชั่นในเรื่องของการที่จะนับเการพระบาอันและเมื่อพระเจ้าได้บอกกับเอลียาว่าจงไปแสดงตัวต่ออาหับเราจะให้ฝนตกลงมาเอลียานั้นก็มีความมั่นใจครับเพราะหลายครั้งทีเดียวเอลียาก็ขี้ขลาดและกลัวและเขาก็ต้องหนีแต่ครั้งนี้พระเจ้า ได้ให้ประสบการณ์จากเอลียาห์มากมายมาก่อนหน้านั้นเอลียาห์ตอบสนองเอลียาห์ไปแสดงตัวต่ออาหับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆก็เป็นว่าโอบดีนั้นได้เป็นผู้ที่นําสาร น, นี้ไปให้กับอาหับครับในขณะที่โอบดีกําลังตัดสินใจว่าจะนําสาร น, นี้ไปให้อาหับหรือไม่อย่างไรนั้นพระเจ้าก็ได้ ให้ อ, อบดีนั้นได้พบกับเอลิยาครับอบดีนั้นจําเอลิยาได้ก็หมอบคำนับลงกับพื้นและกล่าวว่านี่เป็นท่านเอลิยาจริงๆเอลิยาก็ให้อโอบดีไปทูลกษัตริย์ว่าเอลิยาอยู่ที่ไหนอบดีก็ไม่แน่ใจครับว่าเอลิยานั้นได้พูดจริงพูดเล่นอย่างไรโอบดีก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องตาย ถ้าข้าพเจ้าไปบอกกับอาหับแล้วแล้วท่านไม่อยู่ที่นี่ท่านอาจจะอ้างว่าพระวิญ ญ, ญาณทรงนำท่านไปที่อื่นผมก็หัวขาดสิครับนั่นคือการแปลความหมายง่ายๆในภาษาชาวบ้านข้าพเจ้าไปทูลอาหับแล้วเสด็จมาไม่พบกับท่านก็จะทรงประหารข้าพเจ้าทางทั้งที่ข้าพเจ้านั้นได้รับใช้ปฏิบัตินรสการองค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นถึงจิตใจของโอบดีนั้นก็ มีนายอยู่สองคนนายคนหนึ่งก็คือเอรียานายอีกคนหนึ่งก็คือกษัตริย์อาหับที่ไม่สนุกนักนะครับเพราะว่านายของเขาสองคนนั้นเป็นนายที่เรียกว่าเป็นคู่ปรับเป็นคู่แข่งเป็นคู่ต่อสู้กันพี่น้องครับนั่นคือความยุ่งยากใจของโอบาดีซึ่งเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในที่สุด เมื่อเอลิยายืนยันอบดีก็ทาภารกิจของท่านจนสำเร็จเอริยานั้นท่านมีความมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ซึ่งท่านปฏิบัติรับใช้อยู่พระเยวาจอมโยธะแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของเอลิยาในพระเจ้าว่าพระองค์จะมีความสามารถจัดการกับเรื่องราว ทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลเป็นความมั่นใจที่พระเจ้าได้ทรงสอนเอลียาห์ผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ได้รับการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่ลำทานเคเรตและเมืองสาเลฟัตพี่น้องครับเราคงไม่ลืมว่าเอลียาห์นั้นหนีเยเซเบลแต่วันนี้เอลียาห์กลับมาพบกับอาหับ เพื่อที่จะเกิดสิ่งต่อไปนี้ก็คือการพนันขันต่อบนภูเขาคาราเมลซึ่งจะได้กล่าวในวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับบทเรียนของพระเจ้าและพะจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้เราจะเห็นถึงการที่พระเจ้าได้ทรงดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเลี้ยงดูด้วยนกกาเลี้ยงดูด้วยหญิงแม่ไม้และในเวลานี้ก็ไปพบกับโอบดีและชีวิตของเอลียานั้น เปลี่ยนแปลงโอบดีให้โอบดีนั้นกลายเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าใช้ครับเพื่อนครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันการที่เราได้รับการยกชูจากองค์พระ้เนเจ้าได้รับการพัฒนาในเรื่องของการรับใช้ในเรื่องของความมั่นใจเราได้เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าเราได้เห็นถึงการอัศ จ, จรรย์ของพระเจ้าที่กระทาในชีวิตของเรา พระเจ้าใช้เราเหมือนกับพิธีที่พระเจ้าใช้เอริยาในการที่จะให้ความมั่นใจกับโอบดีเราจะต้องมีผู้ที่เราช่วยเหลือเราจะต้องมีผู้ที่เราจะสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเจ้านั่นแหละครับคือเราจะต้องส่งทอดส่งต่อความเชื่อมั่นศรัทธาความมั่นใจในองค์พระูเจ้าให้กับชนรุ่นหลัง ให้กับผู้คนอื่นๆและเพื่อที่เขาจะกลายเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเหมือนกับเราซึ่งเป็นเครื่องมือของพระเจ้าชิ้นหนึ่งขอบคุณพระเจ้าครับในที่สุดโอบดีนั้นก็เดินทางไปหาอาหับและก็นัดพบระหว่างอาหับกับเอริยาในวันพรุ่งนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าการพนันขันต่อระหว่างเอลิยากับอาหับนั้นทําให้เห็น ถึงความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของอิสราเอลคือพระยาเวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับการพัฒนาจากพระเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะส่งต่อพระพรของพระเจ้าไปให้กับชนรุ่นหลังไปให้กับสาวกที่เรากําลังสร้างอยู่และเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดผลขึ้นในชีวิตของผู้ที่เราสร้าง และเขาจะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งของพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปอาเมน